ปะสูดว่าด้วยการสนทนาเรื่องศิละปะเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเจตวันอารามของอนาถบินิกาเศรษฐีเขโครงสาวทีสมัยนั้นภิกษุจำนวนมากกลับจากบินตบาทหลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วมานั่งประชุมพร้อมกันในมณฑบ ได้สนทนาอันตรากถาขึ้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายใครรู้จักศิลปะบ้างใครศึกษาศิลปะอะไรมาบ้างศิลปะชนิดไหนเลิศ ก, กว่าศิลปะทั้งหลายบรรดาภิกษุเหล่านั้นบางพวกกล่าวว่าศิลปะวาดด้วยช้างเลิศ ก, กว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะวาดด้วยม้า man, เลิศ ก, กว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่า ศิลปะว่าด้วยรถเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพูกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยธนูเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพูกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยอาวุธเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพูกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยการคำนวณด้วยวิธีนับนิ้วเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพูกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยการคำนวณด้วยวิธีคิดในใจ เลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยการคำนวณด้วยวิธีอนุมานด้วยสายตาเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยการวาดเขียนเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยฉันทลักษ์เลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยโลกาญตศาส เลิกกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยวิชาวกฎหมายเลิกกว่าศิลปะทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นได้สนทนาอันตรากถากันค้างไว้เพียงเท่านี้ครั้งนั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นเสด็จเข้าไปยังมนดบประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้พระผู้มีพระภาคครั้นประทับนั่งแล้ว รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเวลานี้เธอทั้งหลายสนทนากันด้วยเรื่องอะไรและพูดเรื่องอะไรค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายกลับจากบินทบาทหลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วมานั่งประชุมพร้อมกันในมณฑปได้สนทนาอันตรากถาขึ้นว่า N: ท่านทั้งหลายใครร her <Cant> <t> ู้จักศิลปะบ้างใครศึกษาศิลปะอะไรมาบ้างศิลปะชนิดไหนเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบรรดาข้าพระองค์น <t> ั้นบางพวกกล่าวว่าศิลปะวาดด้วยช้างเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะวาดด้วยม้าเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะวาดด้วยรถเลิศกว่าศิลปะทั้งหลาย บางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยธนูเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยอาวุธเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยการคํานวณด้วยวิธีนับนิ้วเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยการคํานวณด้วยวิธีคิดในใจเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่า ศิลปะว่าด้วยการคำนวณด้วยวิธีอนุมานด้วยสายตาเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะวาด้วยการวาดเขียนเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยฉันทลักเลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าศิลปะว่าด้วยโลกายตศาสตร์เลิศกว่าศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวว่า ศิลปะว่าด้วยวิชากฎหมายเลิกกว่าศิลปะทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันตรากถานี้แลที่ข้าพระองค์ทั้งหลายพูดค้างไว้พอดีพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการที่เธอทั้งหลายเป็นกุลบุตรมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตแล้วพากันสนทนาเรื่องอย่างนี้ไม่สมควรเลย เธอทั้งหลายนั่งประชุมกันแล้วควรทำกิจเพียงสองอย่างคือการกล่าวธรรมหรือความเป็นผู้นิ่งอย่างพระอริยะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานผู้ใดไม่อาศัยศิละปะเลี้ยงชีพเป็นอยู่เรียบง่ายมุ่งบำเพ็ญประโยชน์สารวมอินทรีย์ หลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงไม่ต้องแล่นไปในโอกะไม่มีการยึดถือว่าของเราไม่มีความหวังกําจัดมารได้แล้วเที่ยวไปผู้เดียวผู้นั้นชื่อว่าภิกษุสิบปะสูตรที่เก้าจบ โลกะสูตรว่าด้วยสัตว์โลกข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเมื่อแรกตระสรู้ประทับอยู่ณนะควงต้นโพธิพฤกษ์ใกล้ฝั่งแม่น้ำในรัญชราเขตตำบลอุรุเวลาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งโดยบันลังเดียวสวยวิมุติสุขอยู่เป็นเวลาเจวันครั้นล่วงไปเจ็ดวัน พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากสมาธินั้นแล้วทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักษุได้ทอดพระเนตรเห็นหมู่สัตว์กําลังเดือดร้อนด้วยความทุกข์มากมายและถูกความเร่าร้อนหลากหลายที่เกิดจากราคะบ้างเกิดจากโทสะบ้างเกิดจากโมหะบ้างรุมแผดเผาอยู่ลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเป่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า พุทธะอุทานสัตว์โลกนี้เกิดความเร่าร้อนถูกทุกขเวทนากระทบแล้วกล่าวทุกขเวทนาว่าเป็นของตนเพราะสัตว์โลกนี้สําคัญสิ่งใดว่าเที่ยงสิ่งนั้นกลับเป็นอย่างอื่นสัตว์โลกมีภาวะไม่มั่นคงติดอยู่ในภพหมกมุ่นอยู่ในภพเพลิดเพลิอนอยู่ในภพภพที่สัตว์โลกเพลิดเพลินจัดเป็นภัย ภัยที่สัตว์โลกกลัวจัดเป็นทุกข์บุคคลต้องบำเพ็ญพรหมจรรย์ น, นี้เท่านั้นเพื่อละภพให้ได้สมณะหรือพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งกล่าวถึงความหลุดพ้นจากภพด้วยภพเราถือว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดหาได้หลุดพ้นจากภพทั้งปวงไม่อันหนึ่งสมณะหรือพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งกล่าวถึงการออกจากภพด้วยวิภพเราถือว่า สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดหาได้ออกจากภพไม่เพราะอาศัยอุปธิทั้งปวงทุกนี้จึงเกิดมีขึ้นเพราะอุปาทานทั้งหมดสิ้นไปทุกจึงไม่เกิดท่านจงดูสัตว์โลกนี้สัตว์เป็นจํานวนมากถูกอวิชชาครอบงําหรือมัวหลงติดใจในสัตว์ด้วยกันจึงหลุดพ้นไปจากภพไม่ได้ความจริง พบอย่างใดอย่างหนึ่งทุกชั้นล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาบุคคลเมื่อรู้เห็นเบญจขันธ์คือพบนี้ตามความเป็นจริงอย่างทองแท้ด้วยปัญญาอันชอบย่อมละภวะตันหาได้ทั้งไม่ยินดีวิภวะตันหาเพราะตันหาทั้งหลายสิ้นไปโดยประการทั้งปวงความดับกิเลสไม่เหลือด้วยวิราคะคือนิพพานจึงมี เพราะไม่มีความยึดมั่นภิกษุผู้นิพพานแล้วจึงไม่มีพบใหม่ภิกษุนั้นได้ชื่อว่าครอบเมืองมารได้ชนะสงครามได้ก้าวล่วงพบทั้งปวงได้เป็นผู้คงที่ชันนี้โลกสูตรที่สิบจบนันทวักที่สามจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่งกรร ม, มวิปาก ะ, ะสูตร 2. นันทสูตร 3. ยะโสชะสูตร 4. สารีปุตตะสูตร 5. มหาโมคลานะสูตร 6. ปิลินทวัชชะสูตร 7. สกุธานะสูตร 8. ปิณฑปาติกะสูตร 9. สิปะสูตร 10. โลกะสูตร เมคิยวัคหมวดว่าด้วยพระเมคิยเถระหนึ่งเมขิยสูตรว่าด้วยพระเมคิยาเถระข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณจาริกาบันพศเขตเมืองจาริกาสมัยนั้นท่านพระเมคิยาเป็นอุปทาของพระผู้มีพระภาค ครั้งนั้นแหลท่านพระเมขิยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรเด้กกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ปรารถนาจะเข้าไปยังชันตุคามเพื่อบินทบาตพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมขิยะจงกำหนดเวลาที่สมควรหน้าบัดนี้เถิด ครั้งนั้นในเวลาเช้าท่านพระเมขียะครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังชันตุคามเพื่อบินธบาตกลับจากบินธบาตหลังจากชันอาหารเสร็จแล้วเดินไปตามฝั่งแม่น้ำกิมิกาลาขณะที่เที่ยวเดินพักพรอนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำกิมิกาลานั้นได้เห็นป่ามะม่วงที่งดงามน่ารื่นรมจึงมีความคิดดังนี้ว่า ป่ามะม่วงนี้ช่างงดงามน่ารื่นรมจริงเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรสําหรับกุรุบุตรผู้ต้องการบําเพ็ญเพียรโดยแท้ถ้าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตเราเราจะกลับมาบําเพ็ญเพียรในป่ามะม่วงนี้ต่อมาท่านพระเมขียเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรเรียกราบททลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า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 ป่ามะม่วงนี้ช่งงดงามน่ารื่นรมจริงเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรสำหรับกุลบุตรผู้ต้องการบาเพ็ญเพียรโดยแท้ถ้าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตเราเราจะกลับมาบำเพ็ญเพียรในป่ามะม่วงนี้ถ้าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตข้าพระองค์ข้าพระองค์จะกลับไปบำเพ็ญเพียรในป่ามะม่วงนั้นพระพุทธเจ้าข่าเมื่อท่านพระเมขยะกราบทูลอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัส ก, กับท่านดังนี้ว่าเมขิยะเราอยู่คนเดียวเธอจงรอจนกว่าภิกษุรูปอื่นจะมาแม้ครั้งที่สองท่านพระเมขิยะกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคไม่ทรงมีกิจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกทั้งไม่มีการสั่งสมกิจที่ทำแล้ว ส่วนข้าพระองค์ยังมีกิจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกทั้งยังต้องสั่งสมกิจที่ทำแล้วถ้าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตข้าพระองค์ข้าพระองค์จะกลับไปบาเพ็ญเพียในป่ามะม่วงนั้นพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมขียะเราอยู่คนเดียวเธอจงรอจนกว่าภิกษุรูปอื่นจะมาแม้ครั้งที่สาม ท่านพระเมขียะก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคไม่ทรงมีกิจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปทั้งไม่มีการสังสมกิจที่ทำแล้วส่วนข้าพระองค์ยังมีกิจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปทั้งยังต้องสังสมกิจที่ทำแล้วถ้าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตข้าพระองค์ า พ, พระองค์จะกลับไปบำเพ็ญเพียรในป่ามะม่วงนั้นพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าเมคิยะเมื่อเธอพูดว่าจะไปบำเพ็ญเพียรเราจะพึงว่าอะไรเธอจงกำหนดเวลาที่สมควรนบัดนี้เถิดลำดับนั้นท่านพระเมคิยะลุกจากที่นั่งถวายอภิวาพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วเข้าไปยังป่ามะม่วงนั้น อาศัยป่ามะม่วงนั้นนั่งพักรางวัลอยู่ณโคนไม้มะม่วงต้นหนึ่งเมื่อท่านพักอยู่ในป่ามะม่วงนั้นบาปอกุศน ล, ลวิตกสามประการคือกามวิตกความตรึกในทางกามพยาบาทวิตกความตรึกในทางพยาบาทวิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียนเกิดขึ้นโดยมากครั้งนั้นแลท่านพระเมขยะได้มีความคิดดังนี้ว่า น่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาแท้แต่กระนั้นก็ยังถูกบาปอากุศลวิตกสาประการคือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกรุมเร้าจิตได้ครั้งนั้นในเวลาเย็นท่านพระเมขิยะก็ออกจากที่หลีกเรนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาลเมื่อข้าพระองค์พักอยู่ในป่ามะม่วงนั้นบาปอากุศ ล, ลวิตก3สามประการคือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นโดยมากข้าพระองค์จึงมีความคิดดังนี้ว่าน่าอาัศ จ, จรรย์จริงไม่เคยปรากฏ เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัท ธ, ธาแท้แต่ครนั้นก็ยังถูกบาปอากุศลวิตก3สามประการคือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกรุมเร้าจิตได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมคิยะทำห้าประการย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุติที่ยังไม่แก่กล้าทำห้าประการอะไรบ้างคือ 1>, 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีนี้เป็นธรรมประการที่หนึ่งที่เป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้า 2. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมเพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย สมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เป็นธรรมประการที่สองที่เป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้าสาภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ได้กระถาเป็นเครื่องขัดเกลากันอย่างยิ่งที่เป็นสัปพายะแห่งความเป็นไปของจิตเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างเดียวเพื่อคลายกำนัดเพื่อดับเพื่อสงบระ ง, งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้ เพื่อ น, นิพพานคืออปิชกกะถาเรื่องความมักน้อยสันตุติกะถาเรื่องความสันโดษปวิเวกกะถาเรื่องความสงนัดอสังสักกะถาเรื่องความไม่คลุกคลีวิริยารัมภะกะถาเรื่องการปรารบความเพียรสีละกะถาเรื่องศีลสมาธิกะถาเรื่องสมาธิปัญญากะถาเรื่องปัญญา วิมุตติกถาเรื่องวิมุตติวิมุตติญาณทัศนกถาเรื่องความรู้ความเห็นในวิมุตติตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากนี้เป็นธรรมประการที่สามที่เป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้า 4. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปรารบความเพียนเพื่อละอุสุลธรรม เพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบันมั่นคงไม่ทอธทุระในกุศลธรรมทั้งหลายนี้เป็นธรรมประการที่สที่เป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้า 5. ภิกษุในธรรมวิัยนี้เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะ ชำแรกกิเลดให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบนี้เป็นธรรมประการที่หที่เป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตที่ยังไม่แก่กล้าเมฆียะทำห้าประการนี้แหละย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตที่ยังไม่แก่กล้าภิกษุผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังได้ข้อนี้คือ จากเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกพี่พร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในศึกษาบททั้งหลายภิกษุผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังได้ข้อนี้คือจากเป็นผู้ได้กระถาเป็นเครื่องขัดเกลาอย่างยิ่งที่เป็นสัายะแห่งความเป็นไปของจิตเป็นไปเพื่อความเบื่อนายอย่างเดียว เพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานคืออัิชิจฉาถาสันตุิเิกถาปวิเวกคาถาอสังสัรคคกถาวิริยารัมภกาถาสีลกาถาสมาธิกถาปัญญากถาวิมุติกาถาวิมุติยานทัศนกถาตามความปรารถนาได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ลำบากภิกษุผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังได้ข้อนี้คือจากเป็นผู้ปราบรบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ท้อทุระในกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังได้ข้อนี้คือจากเป็นผู้มีปัญญา คือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำํำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเมขียภิกษุนั้นดํารงอยู่ในธรรม5ประการนี้แล้วพึงเจริญธรรมสประการให้ยิ่งขึ้นไปอีกคือ 1. พึงเจริญอสุภะเพื่อละราคะ 2. พึงเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาท 3. พึงเจริญอาณาปานาสติเพื่อตัดวิตกสพึงเจริญอนิจจสัญญาเพื่อทอนอสมิมาณนะเมขียะอนัตตสัญญาย่อมปรากฏแก่ภิกษุผู้ได้อนิจจสัญญาภิกษุผู้ได้อนัตตสัญญาย่อมบรรลุนิพพานที่ถอนอสมิมาณะได้ในปัจจุบันลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธะอุทานวิตกที่หยาบและวิตกที่ละเอียดเป็นไปแล้วทำใจให้ฟุ้งซ่านบุคคลผู้มีจิตสับสนไม่รู้วิตกแห่งใจเหล่านี้ย่อมเล่นไปสู่พบน้อยพบใหญ่ส่วนผู้ที่เพียรระวังมีสติอยู่เสมอรู้เท่าทันวิตตกที่เกิดแต่จิตเหล่านี้ย่อมสำรวมระวัง บุคคลผู้ตรัสรู้แล้วเท่านั้นย่อมละวิตกที่เป็นไปแล้วทำใจให้ฟุ้งซ่านได้โดยไม่เหลือเมขิยสูตรที่หนึ่งจบ 2. อ, อุทตสูตรว่าด้วย ภิกษุผู้มีจิตฟุ้งซ่านเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะป่าสารวันซึ่งเป็นทางเข้ากรุงกุสินาราของพวกเจ้ามันละสมัยนั้นภิกษุจำนวนมากเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวโลเลปากกล้าพูดพร่ำเพื่อหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตขวดแว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 พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานภิกษุผู้ไม่รักษากายมีความเห็นผิดถูกถีนมิทะครอบงำย่อมไปสู่อำนาจมารเพราะฉะนั้นภิกษุควรรักษาจิตมีความดําริชอบเป็นอารมณ์มุ่งความเห็นถูกต้องเป็นสําคัญรู้ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของเบญจคัน ครอบงำทีนามิทะได้ก็สามารถละทุกติได้ทั้งหมดอุทตะสูตรที่สองจบ 3. โคปาลกะสูตรว่าด้วยในโคบาล ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้งโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โมยใหญ่ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จแวะลงข้างทางเข้าไปณควงไม้ต้นหนึ่งแล้วประทับนั่งบนพุทธาที่ปูลาดไว้ลำดับนั้นนายโคบาลคนหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควร พระผู้มีพระภาคทรงชี้ แ, แจงให้ในายโคบานนั้นเห็น ช, ชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหานแกล้วกล้าปลอบ pues. nope. ชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคะถานายโคบานนั้นครั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อานหานแกล้ากล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาแล้ว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 ทำประทักษิณแล้วจากไปครั้นคืนนั้นผ่านไปนายโคบาล น, นั้นสั่งให้คนจัดข้าวปลาญาติมีน้ำน้อยและเนยใสยใหม่อย่างเพียงพอไว้ในนิเวศของตนแล้วส่งคนไปกราบททนพัฒการว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้เวลาแล้วพัฒหารเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าข้าขณะนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวารสก ถือบาทและจีวอนเสด็จเข้าไปยังบ้านของนายโคบานนั้นพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้นายโคบานได้นำข้าวปลายาดมีน้ำน้อยและเนยใสยใหม่ประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้อิ่มน้ำสำราญด้วยตนเองเมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จทรงวางพระหัตแล้ว นายโคบาลจึงเลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เขาเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเล้าใจให้อาหานแกล่ากล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาแล้วทรงลุกจากพุทธาสถานเด็จจากไปหลังจากพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นาน ชายคนหนึ่งได้ทำร้ายในโคบานนั้นจนเสียชีวิตในระหว่างเขตบ้านต่อมาภิกษุจำนวนมากพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาตแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทราบว่านายโคบานผู้นำข้าวปลายาติและเนยใสยใหม่ ระเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้อิ่มน้ำสำราญด้วยตนเองในวันนี้นั้นได้ถูกชายคนหนึ่งทำร้ายจนเสียชีวิตในระหว่างเขตบ้านพระพุทธเจ้าค่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานจิต ท, ที่ตั้งไว้ผิดพึงทาให้ได้รับความเสียหาย ยิ่งกว่าความเสียหายที่โจรเห็นโจรหรือผู้จองเวรเห็นผู้จองเวรจะพึงทาให้แก่กันโคปาละกะสูตรที่สจบ 4. ยักขะปหาระสูตร ว่าด้วยยักษ์ตีศีศะพระสารีบุตรเทระเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวลุวันกรลันตกนิวาปะสถานเคครงราชครือสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคลานะอยู่ที่กรโปรตะกันทราวิหารในคืนเดือนเพนท่านพระสารีบุตร ปรงผมใหม่ๆนั่งเข้าสมาธิอยู่ในที่แจ้งขณะนั้นมียักษ์สองตนเป็นสหายกันเดินทางจากทิศเหนือไปทางทิศใต้เพื่อทํากิจที่จะต้องทําบางอย่างยักษ์ทั้งสองนั้นได้เห็นท่านพระสารีบุตรปลงผมใหม่ๆนั่งเข้าสมาธิอยู่ในที่แจ้งยักษ์ตนหนึ่งได้กล่าวกับยักษ์อีกตนหนึ่งว่าสหายเราคิดอยากตีศีรษะสมณะรูปนี้ เมื่อยักษ์ตนนั้นกล่าวอย่างนี้ยักษ์ตนหนึ่งจึงกล่าวดังนี้ว่ายาเลยสหายท่านอย่าทำร้ายสมณะเลยสมณะรูปนั้นมีคุณยิ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแม้ครั้งที่สองยักษ์ตนนั้นได้กล่าวกับยักษ์ตนหนึ่งดังนี้ว่าสหายเราคิดอยากตีศีรษะสมณะรูปนี้ยักษ์ตนหนึ่งได้กล่าวกับยักษ์ตนนั้นดังนี้ว่ายาเลยสหาย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 สมณรูปนั้นมีคุณยิ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากครั้งนั้นยักษ์นั้นไม่เชื่อยักษ์ผู้เป็นสหายจึงได้ตีศีสะท่านพระสารีบุตรเทระเป็นการตีอย่างรุนแรงการตีเช่นนั้นสามารถทำให้ช้างสูง 7-8 ถึงศอกจมดินได้หรือสามารถทำลายยอดภูเขามะึมาให้ทลายลงได้และทันใดนั้นเองยักษ์ตนนั้นได้ร้องว่า โอยโร้อนเหลือเกินแล้วล้มตกลงไปสู่มหานรกณนะที่นั่นเองท่านพระมหาโมคลานะได้เห็นยักษ์ตนนั้นตีศีรษะท่านพระสาเรบุตรด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์จึงเข้าไปหาท่านพระสาเรบุตรแล้วเรียกล่าวกับท่านพระสาเรบุตรดังนี้ว่าท่านสาเรบุตรท่านยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือไม่มีทุกข์อะไรหรือ ท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านโมคลานะผมสบายดีพอเป็นอยู่ได้เพียงแต่เจ็บที่ศีษะนิดหน่อยท่านพระมหาโมคลานะกล่าวว่าน่าอัศจรรย์จริ ง, รงไม่เคยปรากฏท่านสารีบุตรท่านมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงยักษ์ตนหนึ่งได้ตีศีรษะท่านในที่นี้เป็นการตีอย่างรุนแรงการตีเช่นนี้ สามารถทำให้ช้างสูงเจดถึงปดศอกจมดินได้หรือสามารถทำลายยอดภูเขามะเหะมาให้ทลายลงได้แต่กระนั้นท่านก็ยังกล่าวอย่างนี้ว่าท่านโมคลานะผมสบายดีพอเป็นอยู่ได้เพียงแต่เจ็บที่ศีรษะนิดหน่อยท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าน่าอาศ จ, จรร์จิงไม่เคยปรากฏท่านโมคลานะท่านมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริง เห็นแม้กระทั่งยักษ์ส่วนผมขณะนี้แม้แต่ปีศาจคลุกฝุ่นสักตนก็ยังไม่เห็นพระผู้มีพระภาคได้ทรงสดับเสียงสนทนาเกี่ยวกับเรื่องนี้ของพระอัครสาวกทั้งสองรูปนั้นด้วยพระโสดาทีอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทาน จิตของใครตั้งมั่นไม่วันไหวดุดภูเขาไม่กำนัดในอารมณ์อัญชวนให้กำนัดไม่ขัดเคืองในอารมณ์อัญชวนให้ขัดเคืองผู้ใดอบรมจิตได้อย่างนี้ทุกข์จะมาถึงผู้นั้นแต่ที่ไหนยักษะปหารสูตรที่สี่จบ นาคสูตรว่าด้วยพญาช้างปรนิบัติพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่คลุกคลีกับพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาพวกเรีรที สาวกเดรทีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่คลุกคลีลาบากไม่ผาสุกครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคทรงดำริอย่างนี้ว่าเวลานี้เราอยู่คลุกคลีกับพวกพิกษุพิกษุณีอุบาสกอุบาสิ ก, กาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาพวกเดรทีสาวกเดรทีเราอยู่คลุกคลีลาบากไม่ผาสุก ทางที่ดีเราควรเปลี่ยตัวออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวครั้งนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาตยังกรุงโกสัมพีเสด็จกลับจากบินทบาทหลังจากเสวยพระกระยาหารเสร็จแล้วทรงเก็บเสนาสนะถือบาทและจีวรด้วยพระองค์เองไม่ตรัสบอกพระอุปทาคไม่ตรัสบอกภิกษุสงฆ์ พระองค์เดียวไม่มีเพื่อนเสด็จจ่าริกไปทางป่าปาลิลยกะเสด็จจ่าริกไปโดยลำดับจนถึงป่าปาลิลยกะทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ควงไม้รังในราวป่ารักขิตตะวันเขตป่าปาลิลยกะนั้นสมัยนั้นพญาช้างตัวหนึ่งอยู่คลุกคลีกับพวกช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่ลูกช้างเล็ก กินหญ้ายอดด้วนถูกช้างเหล่านั้นกินกิ่งไม้ที่ตนหักลงมากองไว้ได้ดื่มแต่น้ำขุนๆเมื่อพญาช้างนั้นเดินลงหรือขึ้นจากท่าน้ำช้างพังก็เดินเสียสีกายไปพญาช้างอยู่คลุกคลีลำบากไม่พาสุขพญาช้างนั้นจึงมีความคิดดังนี้ว่าเวลานี้เราอยู่คลุกคลีกับพวกช้างพลายช้างพัง ลูกช้างใหญ่ลูกช้างเล็กกินหญ้ายอดด้วนถูกช้างเหล่านั้นกินกิ่งไม้ที่เราหักลมกองไว้ได้ดื่มแต่น้ำขุนๆเมื่อเราเดินลงหรือขึ้นจากท่าน้าช้างพังก็เดินเสียสีกายไปเราอยู่คลุกคลีลำบากไม่พาสุขทางที่ดีเราควรหลีกออกจากโคลงไปอยู่ผู้เดียวครั้นแล้วพญาช้างนั้นก็ได้หลีกออกจากโคลง เดินไปทางเขตป่าปาลิเยกะราวป่ารักขิตวันณควงไม้รังเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคทราบว่าพญาช้างนั้นปรับพื้นที่ที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ให้ปราศจากของเขียวสดและใช้งวงตักน้ำดื่มน้ำใช้เข้าไปตั้งไว้เพื่อพระผู้มีพระภาคณที่นั้นครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกเร้นอยู่ในที่สงัด ทร ง, งดำริอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราอยู่คลุกคลีกับพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาพวกเดรรทีสาวกเดรรทีเราอยู่คลุกคลีลําบากไม่พาสุขเวลานี้เรานั้นไม่คลุกคลีอยู่กับพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชา พวกเดรธีสาวกเดรธีเราไม่คลุกคลีจึงอยู่ผาสุขดีพญาช้างนั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราอยู่คลุกคลีกับพวกช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่ลูกช้างเล็กกินหญ้ายอดด้วนส่วนกิ่งไม้ที่เราหักโลงมากองไว้ช้างเหล่านั้นก็กินหมดได้ดื่มแต่น้ํำคุณๆเมื่อเราเดินลงหรือขึ้นจากท่าน้ํา ช้างพังก็เดินเสียดสีกายไปเราอยู่คลุกคลีลำบากไม่พาสุขเวลานี้เรา น, นไม่คลุกคลีอยู่กับพวกช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่ลูกช้างเล็กไม่กินหญ้ายอดด้วนไม่ถูกช้างกินกิ่งไม้ที่เราหักลงมาไม่ดื่มแต่น้ำขุนๆเมื่อเราเดินลงหรือขึ้นจากท่าน้ำช้างพังไม่เดินเสียดสีกายไป เราไม่คลุกคลีจึงอยู่ภาสุขดีลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความสงัดพระวรกายของพระองค์และทรงทราบความคิดของพญาช้างนั้นด้วยพระไัยแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานจิตของพญาช้างผู้มีงาม ง, งามดุดงอนรถนั้นย่อมเสมอกับจิตของพระพุทธเจ้า เพราะอยู่ผู้เดียวยินดีในป่าเหมือนกันนาคสูตที่ห้าจบ